สวดทุกเช้านะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพลาจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปัจถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ไม่ได้ยินหรือเนี่ยไม่ได้ยินเหรอไันได้ติดหรอือเปล่าทำงาน จะเสียงไงวะถ้า ไ, ไม่ได้ยินก็ฮะอ่าลองดูไมกระสุนช้าแลยนะ ประสบกับสิ่งใด เ, เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ถ้าพลากับสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ถ้าถนัสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, นก็เป็นทุกข์ถ้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราประสบ เรารู้สึกเฉยๆกับมันคือไม่ได้ชังไม่ได้กลีมันก็ไม่ทุกขนะ์ในตอนโดยกันถ้าเกิดว่ามีความทักท่าเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทักท่าไปนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รับ ไม่ได้พอใจคือแล้วสิ่งใช้ๆแบบมันมันก็ไม่เป็นทุกปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็จะทุกข์อันนี้เรียมาคำว่าในสิ่งที่ได้มาถ้ามันได้น้อยกว่าสิ่งที่เราปรารถนา อัมนมาได้ม้อยกว่าความปรารถนาของเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ได้มานั้ น, นมันมากกว่าที่เราปรารถนานก็ไม่เป็นทุกข์นนี้มันหมายความว่าอะไรหมายความว่า ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือของของเราเท่านั้นแต่มันอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบเราดักหรือไม่รักเราพอใจหรือไม่พอใจด้วย มันอยู่ที่ใจของเราเป็นประการสำคัญด้วยว่าเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกอย่างไรกับของที่ได้มาหรือของที่เสียไปสูญเสียอะไรไปมากมายนะแต่ว่าสิ่งนั้นเราเชๆกับมัน ไม่ได้ลักไม่ได้หวงแหนอะไรไอความสูญเสียแล้วก็ไม่สามารถฟกมันก็ของที่หายไปเนีของที่ถูกขโมยไปของที่เสียไปสมมว่ามันเป็นของที่เราทิ้งแล้วเป็นของที่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอาจจะไม่ได้ทิ้งแต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้สนใจอะไรมันแล้วเ <ừ. S 1> สียไปเท่าไหร่ก็ไม่ทุกใอ้องที่เราเจอหรือสิ่งที่เราเจอถ้าเราไม่ได้ ừ. รู้สึกแย่กับมันเราก็ไม่เป็นทุกข์อะไรอย่างฝนตกตอนนี้นะ <ừ. S 1> ถ้าเกิด ว, ว่าการที่ฝนตกแล้วเนี่ยนะเราก็คือเฉยๆกัมบมันตกก็ตกไปเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้ารู้สึกไม่ชอบฝนอาจจะเป็นเพออาราะมันทำให้้าที่เราตามันเสียบทางเฉ ช, ชะหรือว่า ทำให้ว่าจะเพืงอกางามอันนี้เราจึงจะเป็นทุกข์ฝ น, นตกอย่างเดียวไม่ทำให้เราทุกข์นั่นดี่ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับผล น, นั้นพอใจหรือไม่พอใจ อันนี้มันก็ที่เห็นว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์ได้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประสบการพักผาประตาแต่มันยังอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือกับสิ่งที่เสียไปปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยกนะารได้เราเรียกว่าจะได้น้อยหรือได้มากเนี่ยได้มากก็ดีใจได้มากก็เสียใจถ้าถามว่าน้อยหรือมากอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความคาดหวังหรือความปรารถนาของเรา สิ่งที่ได้มากสิ่งที่ได้มาถ้ามันน้อยกว่าความปรารถนาของเราเราก็เรียกว่าไม่ดเีเรียกว่าได้น้อยไปแต่ถ้ามันมากวาาากว่าความปรารถนาของเราเราก็เรียกว่าดีแล้เราก็เรียกว่าโอ้ได้มากคาดหวังสิจะได้ร้อย อันนี้เราก็ถือว่าปเป็นเรื่องดีคาดหวังสิทแต่ได้แค่สองอ น, นี่ก็ทุกข์แล้วจะได้น้อยได้มากอยู่ที่ความปรารถนาของเราอยู่ที่ความคาดหวังของเราจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ความปรารถนาของเราปรารถนามากก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกข์ได้มาก ปรารถนาน้อยก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกข์เล็้ความทุกข์จะมากหรือน้อยเนี่ยยันก็อยู่ที่ปราปรถนาของเราเองในความความรู้สึกของเราเช่นความรักความพอใจไม่รักไม่พอใจความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาเนี่ยอันนี้เป็นตัว ตัวที้ขาดเลยนะว่าจะทำให้เราทุกข์หรือไม่แต่คนก็ไม่ได้ได้มองตรงนี้เท่าไหร่นะไปมองว่าไปให้ความสำคัญกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งเราเรียกว่าปัจจัยภายนอกกไ็ได้เรียกว่าเหตุการณ์ก็ได้ ในปัะ จ, จัตภายในนะคือความคิดความรู้สึกของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรือต่อสิ่งที่ได้มาหรือสิ่งที่เสี ย, สยไปในคนไม่ค่ยมองเท่าไหร่เราก็เปนเน้นแต่ว่าทำยังไงถึงจะได้เยอะได้มากๆนะคุณจะมีความสุขแต่ไม่ได้คิดเลยลว่าเลอถ้าเรา ปรับความปากนานของเราให้มันให้มันน้อยลงหรือให้มันพอดีพอดีก็จะช่วยให้ใครทุกได้ทังทที่จะไปหาไปแสวงหาอะไรตอนนี้อะไรให้ม า, มากมายขึ้นยากเรามาปรับความปากงากนของเราให้ให้เล็กลงให้น้อยลงหรือว่าจนกระทั่งไม่มี ความปรารถนาเลยเนี่ยถ้าความปรารถนาเป็นศูเนี่ยได้แค่ไหนก็มีความสุขทั้งนั้นแหละได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องดีความปรารถนาเป็นศูนแต่ได้หนึ่งก็มีความสุขละดีใจละแต่ถ้าปรารถนาสิบได้กลางก็ยังทุกข์อยู่ การที่จะไปเพิ่มการที่จะไปทำการ ท, ที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้มาเยอะๆจึงจะมีความสุขเรามาปรับความปรารถนาของเราให้เล็กลงน้อยลงมันก็จะมีสุขได้ง่ายขึ้น ในการที่สุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราว่าชอบหรือไม่ชอบอันนี้เนี่ยมันหมายความว่าเวล า, ามีความทุกข์ใจเราก็มีส่วนด้วยมีส่วนสำคัญเป็นตัวการ อย่างฝนตกเนี่ยนะถ้าใจเราเฉยๆเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยมันแสดงว่าเป็นเพราะใจเราเนี่ยมันไม่ชอบเป็นเพราะว่าเรามีความคาดหวังว่าฝนมันจะไม่ตก ตรงนี้แหละนะที่มันเป็นความรับผิดชอบของเรามันเป็นข้อใจเราถ้าเราทำใจให้เป็นกลางหรือว่าถ้าเราไม่ได้มีความปรารถนาอยู่แล้วนะว่าฝนจะต้องไม่ตกฝนตกยังไรเราก็เฉย ถ้าคนเราไนีมาแก้ทุกข์กันตรงนี้จะดีกว่ามาแก้ทุกข์ตรงที่ว่ามาปับใจของเราแต่ทุกครั้งที่ทุกข์เนี่ยนะก็กลับมาดูที่ใจของเราเดียกลับมาดูว่าใจของเรามามันเป็นตัวการทมให้ทุกข์มากน้อยแค่ไหน คนส่วนใหญ่นีไม่ได้มองตรงนี้นะไปโทษไปโทษสิ่งภายนอกไปโทษผลไปโทษฟ้าไปโทษใครตปล่าใครถ้าหาคนผิดไม่ได้ก็โทษชะตากรรมโทษความโทษเคราะห์โทษความ่วนแต่ไม่ได้กลับมามาโทษตัวเองว่า ตั้งความหวังไว้มากไปไหมโดยข้อใจเนี่ยมันไม่รู้จักวางใจให้ถูกการกลับมาดูใจมีสำคัญกลับมาดูที่ความคาดหลังของเรากลับมาดูว่าเรารู้สึกชอบหรือชังบวกหรือลบจากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่า ให้ความปรารถนาของเราเนี่มันเป็นตัวการทาให้ทุกได้ง่ายๆนถ้าเราตั้งความปรารถนาตั้งความหวังไว้สูงพอไม่ได้อย่างที่หวังถ้าเราที่ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้แต่สิ่งที่ได้เราไ ม, ไม่ไม่เท่ากับที่หวัง มันก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโปรธแล้วก็จะเกิดความอารมณ์อื่นต่างๆตามมาเช่นความร้ายใจเลยมันอยู่ที่ว่าคาดหวังอะไรค า, าดหวังจากคาดหวังจาก ซุกน้องและไม่ได้อย่างที่ต้องการหรือไม่ได้เช่าที่ต้องการก็ เ, เกิดความโกรธค า, าดหวังจากคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ผู้รักหรือว่าครูบาอาจารย์นันก็จะเกิดความน้อยใจ อาจจะไม่โกรธแต่เป็นความน้อยใจหรือถ้าคาดหวังนะจากคนที่ไกลออกไปหรือพาดหวังจากเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วมันไม่ได้ที่หวังมันก็เสียใจให้อารมณ์ที่มันเป็นลบเนี่ยนะ ไม่ว่าจะโกรธเสียใจน้อยใจเนี่ยมันก็เรือแล้แต่มีที่มาจากการตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างหนึ่งและสิ่งที่ได้มามันไม่ทับทิศปรารถนาไว้ถ้าป ร, ปร า, า, ถาปรถนาไว่สูงนะแล้วสิ่งที่ได้มามันจะเยอะ แต่ถ้ามันไม่เท่ากับที่ป่าถนาก็คือว่าน้อยอย่างความรักของพ่อแม่นะี่ยลูกเนี่ยมีความถ้าเกิดว่าลูกมีความป่าถนาหรือคาดหวังความรักของพ่อแม่ไว้สูงคาดหวังว่าพ่อแม่จะซื้ออย่างนั้นอย่างนี้มาให้หรือว่าทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ให้เรา แม้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้เราหรือสิ่งที่พ่อแม่ทํากับเรานี่ยมันจะเยอะคนอื่นหรือใครก็ทําให้เราเนี่ยก็ยังน้อยกว่าสิ่งที่พ่อแม่ทําให้กับเราหรือให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดหวังไว้สูงกว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้หรือสิ่งที่พ่อแม่ทําก็เกิดความทุกขึ้นมาเกิดความเมื่อเนื้อต่ำใจขึ้นมา แล้ก็คิดปึกภรุงกันต่อไปว่าพ่อแม่ไม่รักเราทั้งๆที่สิ่งที่พ่อแม่ให้สิ่งที่าแม่ทํากับเรานี่มันเยอะะมันมากกว่าที่ใครๆในโลกนี้ให้หรือ ท, ทำกับเราสิแต่ว่าเราคนจนอย่างเก็มักจะไม่มองแบบนั้นแต่จะไปเอาความคาดหวังตัวเป็นตัวตั้งถ้ามันน้อยกว่าที่คาดหวังเมื่ อ, อไหรก็ไปเรลิกเมื่อ น, นั้น สิ่งที่ก็ให้มาสิที่เขาทกับเรามันจะมากกว่าที่ใครๆเคยให้กับเราทํากับเราก็ตามอันนี้ไม่สําคัญคนไม่เคยมองตรงนี้นะแต่ไปมองว่ามันตรงแบบที่หรือมันเท่ากับที่เราคาดหวังหรือเปล่าถ้าไม่เท่าเมื่อไหร่ก็น่อยนิดตั้งใจเหมือนกัน น, ะนี่ถ้เกิดว่าเรามองเป็นนะเออเรามองว่า ว่าเราเป็นพราะเราคาบหวังสูงไปไหมหรือว่าเราไม่ได้มองเลยว่าเออสิ่งที่พ่อแม่ให้กับเรานี่มันเยอะกว่าที่ใครๆให้กับเราเยอะคนอถึงให้กับเราไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่เพื่อนให้เราแค่ห้าแต่พ่อแม่ที่ให้ถึงเก้าแต่ถ้าฟังคาลัอองเราคือสิธเนี่ยเราก็ทุกแล้ว แม่ให้ก้าแต่เราต้องการสิทธิความทุกข์ความน้อยใจเกิดขึ้นทันทีแล้วเราก็ไม่เคยดูว่าสิ่งทีพ่อแม่ให้คือก้ามันมากกว่าสิ่งที่ใครๆให้นี่้าเรากลับมามองอย่างนี้บ้างว่าเออแม่ให้ก้าแต่ว่าคุณแม่น้อยกว่าสิ่งที่เราคาดหวงังแต่ว่ามันก็เยอะ ใครๆให้แค่หนึ่งแค่สองแค่สาถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยมันจะมีความความสุขขึ้นมาเกิดความทราบเสื่มขึ้นมาให้ความว้าเนื้อตามใจก็หายไปนี่เราพยายามมองแบบนี้บ้างจะมองแบบนี้ได้ก็ต้องกลับมาที่หนักรู้ว่าโอ้เราคาดหลังไว้สูง ปัญหามีที่พ่อแม่ให้ให้ให้ให้เก้าแต่ปัญหาที่ว่าเราตั้งความไว้สิบในเมื่อเราไม่สามารถจะไปบังคับกับเกณให้พ่อแม่นี้ให้สิบเอ็ดให้สิบสอง 2. เรามาจัด ก, การที่ความพรอบคงของเราจากสิบก็อาจจะเหลือเก้าหรือว่า กลับมามองว่าเียบเที่ยวระหว่างความรักที่ทอดแน่ให้กับเราครับที่คนอื่นให้กับเราแค่มันอยู่ที่มุมมองมากเลยความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเป็นสำคัญเวลามีความเมินอฉยตั้งใจขึ้นมาเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปไปโมวโทษคนอื่นคนใกล้ตัวคนที่เราให้ความรักความ อ่าเพรารบจะให้กลับมาดีที่ใจเรามาปรับแก้ที่ใจเรามาปรับแก้ที่ความปรารถนาของเราอันนี้ทำนอนเดียวกันนะพ่อแม่กับลู ก, กเหมือนกันพ่อแม่เนี่ยถ้ามีความคาดหวังลูกไว้สูงได้ ล, ลูกให้น้อยกว่าที่คาดหวังก็ทุกข์ พ่อแม่ก็น้อยเนื้อต่ำใจในลูกได้เหมือนกันโดยเพราะพอพ่อแม่อายุมากตอนที่ลูกอายุไม่เท่าไหร่นะลูกก็น้อยใจพ่อแม่แต่พอพ่อแม่แก่ตัวพ่อแม่ก็กลับเป็นฝ่ายน้อยใจลูกคาดหวังไว้สูงแต่ว่าที่ได้จากลูกมันน้อย ก็เสียใจน้อยใจแล้วก็ผ่านปูุงแต่งว่าลูกไม่รักเราคิดไปไกลถึงว่าลูกจะทิ้งเราหรือเปล่าอันนี้เกิดขึ้นมากเกิดขึ้นกับพ่อแม่หลายคนเลยเพราะเวลาแก่ตัวอายุเจ็ดสิบแปดสิบในความที่ร่างกายเปล่ บ, บางช่วยัวลได้น้อยลงก็ยิ่งทำให้เกิดความ หลังจากลูกมากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็ให้ความเปรอบบางของร่างกายก็ทําให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจมากขึ้นกลัวกลัวลูกทิ้งมีแม่หลายคนพ่อหลายคนก็จะพอแจะยิ่มไม่สบา ย, ยก็จะเรียกร้องให้ลูกมาดูแลเรียกร้องให้ลูกมาหามาหาบ่อยๆมาหาทุกวันน กลายเป็นเด็กไปเลยหรือว่าผมจะเริ่มพูดนะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าส่วผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือเด็กในวันหน้านะพออายุเจ็ดสิบป่าซือข้าวก็จะเรียกร้องความรักจากลูกเรียกร้องการตัวนิบยมจากลูกนะลูกก็ให้แต่ว่าพอมันไม่เท่ากับที่พอ่อนายต้องการ พ่อแม่ก็ไม่พอใจน้อยใจอาจจะไม่พูดหรือถ้าบางคนก็อาจจะเรียกร้องว่าต้องหรือควรให้ว่าลูกเนี่ยควรจะให้หรือต้องให้มากกว่านี้เกิดความทุกข์ขึ้นมาบางคนก็แสดงอาการด้วยการเรียกร้องให้ลูกโทรมาหาแม่ทุกวัน โดยเขาจะเาตัวเองห่วงลูกแต่ที่จริงอาจจะลึกๆกลายเป็นความต้องการความใส่ใจจากลูกก็ได้บางทีแม่ก็ไม่รู้ตัวนะพ่อแม่ก็ไม่รู้ตัวคิดว่าการเรียกร้องให้ลูกโทรมาหาแม่ทุกวันเนี่ยเป็นเพราะความห่วงลูกแต่ที่จริงเนี่ยส่วนลึกก็คือการอยากได้ความสนใจจากลูกความรักจากลูก อันนี้เป็นเพราะิเลสมันหลอกก็ไดนะ้ความเห็นจากตัวบางทีมันก็มาในรูปของหรือมันก็อําพรางตัวในร่ยลวงความเห็นเห็นแก่ผู้อื่นอยากช่วยผู้อื่นหรือเป็นเพราะชอบตัวเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ทันอารมณ์ของตัวห่วงลูกหรือห่วงตัวเองบางทีก็แยกไม่ออก เพราะว่าอย่างที่บอกนะคนเราเดี่นนี่ไม่ค่อยไม่สามารถจะแยกแยะความรู้สึกของตัวเองได้ไมันเป็นนี้มากขึ้นเรื่อยๆบอกไม่ได้ว่าความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างไรบอกไม่ได้ว่ากําลังโกรธกำลังเสียใจกำลังน้อยใจกำลังกลัวรู้แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ดียิ่งถามวายิ่งถามสาวหาว่าทุกเพราะอะไรนี่ยิ่งยิ่งมึนขึ้นไปอีก เพราะถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ใดในการที่จะหาคำตอบว่าอะไรคือสาเหตุก็เป็นเรื่องยากจริงอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกเศร้าเสียใจน้อยใจโกรธนะลนล่าเงาปีนไปวิจัยเรานั่นแหละ อยู่ที่เจ้าตัวแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะไปโทษข้างนอกลูกไปโทษพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่จะโทษลูกว่าลูกไม่รักหรือว่าบางทีก็โทษคนรักว่าเขาไม่รักเราหรือว่าเขาไม่เป็นธรรมกับเราอันนี้กา จ, จะ เป็นความสุขต่อเจ้านายหรือต่อครูบาอาจารย์ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะอยู่ บ, บ่อยๆแม้แนคะ่ถ้าว่าผู้คนหันมากลับมาดูที่ใจตัวว่าเออเป็นเพราะเราคาดหวังสูงหรือเปล่านะเรายึดติดในความคาดหวังของเราไหมนะ อย่างถ้าลดความคาดหวังลงก็ความทุกข์กนน้อยลงไม่ต้องดูไกลเดินทาง อ, อยู่ในกรุงเทพเนี่ยพอรถติดเนี่ยหลายคนก็จะขุ่นมัวขึ้นมาหรือพอเจอไฟแดงก็จะรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยได้มาสำรวจวก็เป็นเพราะเราคาดหวังไว้หรือเปล่า เราอยากจะถึงที่หมายภายใน15นาทีแต่พอรถติดหรือไฟแดงขาดคะเนนแล้วคงจะถึงที่หมายใน20หรือ30นาทีไม่ใช่15นาทีพอคะเนนแบบนี้พ่อมันทุกเลยนะมันหมุนเลยนะแล้วก็ไฟลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะรถจราจรมันจะ ไปได้เร็วหรือว่าโทษรถคันหน้าว่ามันขับช้าบางทีก็โทษคนคนขับนะว่าไม่ไม่ขับให้เร็วพอแต่ที่จริงเพียงแค่มาปรับความความคาดหวังในใจเราบางทีมันก็ไม่มีอะไรเร่งด่วนนะแต่ว่ามันคาดหวังจนเคยชินว่เนี่ยที่หมายนี่ต้องใช้เวลาสิบห้านาทีแต่พอมีไฟแดงเขารถติดบ้าง มันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ทุกเลยที่จริงแค่ก็แค่วางความคาดหวังว่เออมันจะมันจะถึงในสิบห้านาทีหรือเกินกว่านั้นก็ไม่เป็นไรช่างมันให้ความมุ่งมิ้ก็จะหายไป ท, ทันทีแต่คนเนี่ยไปคาดหวังกับทุกเรื่องทงั้งทั้งที่มันก็ไม่จำเป็นนะเช่นเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ได้รีบอะไรไม่ได้ไปทำงาน นะวันนั้นก็มีเวลาว่างเยอะมันจะถึงที่หมายช้ากว่าเดิม15นาที20นาทีมันจะเป็นหลายไปแต่เพราะคาดหวังจนชินนะแล้วก็ไปยึดกับความคาดหวังนะ้ะจนเป็นที่ใส่มันก็เลยหนึกหดืดพอเจอไฟแดดพอเจอรถติดมันแก้ง่ายนิดเดียวนะไปไปไปเรียกร้องให้รถมันเคลื่อนเร็วขึ้นไปเรียกร้อง บงการให้ไฟแดงมันเป็นเขียววายๆนี่มันยากเป็นไปไม่ได้ดยซ้ําแต่ว่ามันลดความมันมันที่ทําได้ง่ายกว่าแล้วเป็นไปได้คือมาจัดการกับความรู้สึกความคาดหวังในใจเราลดความคาดหวังนีง่อคนเราจะคาดหวังกับใครก็ตามไม่ใช่แค่เฉพา ะ, จ, ะ, ะจราจรบิดฟ้ า, ากายนี่ยมันก็โอกาสจะทุกแล้วเกิดความเครียด ความสัมพันธ์ไม่ดีเราฉายกล้องง่ายมีคนก็พูดให้ดีบอกว่าอย่าไปคาดหวังกับลูกจะให้มีความหวังกับลูกอย่าไปคาดหวังกับลูกจะให้พัให้มีความหวังกับลู ก, อ, ก, ล ก, ก, ลกอันนี้มันช่วยได้เยอะนะเพราะความคาดหวังมาทําให้นําไปสู่การดีบคั้นคนที่เราคาดหวังหรือเรียกร้องคนที่เราคาดหวัง ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์แต่ความหวังนี่มันทําให้เกิดกําลังใจถ้าเราลดความคาดหวังให้น้อยลงและมีความหวังให้มากขึ้นจะไปคาดหวังกับลูกแต่มีความหวังกับลูกอันนี้มัช่วยทําให้ความสัมพันธ์นระหว่างพ่อแม่กับลูกดีขึ้นกับฝนกมือด้วย ก, ก็เหมือนกันนะอย่าไปคาดหวังกับสิทธแต่ว่ามีความหวังกับเขา อันนี้ก็จะทำใ ห, ให้การไปรกดดันลูกศิษย์มันน้อยลงแต่ว่าจะเป็นเรื่องการให้กําลังใจเพราะมีความหวังเขาก็เลยให้กําลังใจเราเอก็มีกำลังใจเนียพราะเรามีความคาดหวังเพราะเรามีความหวังถ้ามันต่างกันมากในความคาดหวังกับความหวังพอมีความคาดหวังก็เหมือนกับที่เราท่องเนี่ปรารถนาสิง่งแดงไม่ได้ถึ่ง น, นั้นก็เป็นทุกข์ ดั้เวลามีความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยก็อย่ามัวแต่ไปเพ่งที่ข้างนอนให้กลับมาดูใจเรามาสำรวจใจเราแล้วก็ปรับพิจัยเราเให้ความทุกข์มันจะลดลงไปโดยอัตโนมัติอ้าวชาเนี่ยปวดเท้ามืออ้กลับ